ต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าบุญเก่าเราได้มาแล้วก็ใช้หมดแล้วแล้วก็ไปประมาทไม่ทําเหตุใหม่เพราะฉะนั้นบุญบางทีก็เรียกว่าซั์เรียกว่าอริยซัพย์อันคนที่มีบุญแล้วไม่ต่อบุญเพิ่มบุญพอกพูนบุญต่อไปบุญเหล่านั้นก็เป็นส่วนแห่งความเสือ่อมมันก็จะหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอริยซับเนี่ยถ้ายังไม่มั่งมีถึงที่สุดเป็นพระอริยบุคคลอย่าท้อแท้ในการเจริญ แต่ถ้าหากบอกว่าโอ้ทอ้อใจเหลือกเกินที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำํำสอนก็จะไปทําอะไรนะโลภะเกิดมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะโทสะเกิดก็มีโทษโมหะเกิดก็มีโทษแล้วทีนี้ทํายังไงกุศลจิตเราจะได้เกิดล่ะก็มีอยู่อย่างเดียวแล้วแหละคือศึกษาพระธรรมคำําสอนพระธรรมคำําสอนนี้จะช่วยรักษาสุขภาพจิตของเราด้วย น, นะจิตเศร้ามองเมื่อศึกษาคําสอนจิตก็จะผ่องใสนะจิตหดหูจิตท่อแท้ฟุ้งฟ่านเป็นต้นถ้าได้พระธรรมคําำคำสอนเป็นต้นมาราดรถก็ยังจะพอสบายใจแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับกุศลเวลาบาปอากุศลมันให้ผลเนี่ยนะสนนัมโนโบราณก็เรียกไงนะน้ําตาเช็ดหัวเขา่าไม่อยู่แค่นั้นนะถ้าเช็ดแค่แท่น้ําตาออกนี่ก็พอดีแล้วไม่ไม่ถึงกับทุกข์มาก แต่จะซูญเสียกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นบาปประกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำเนี่ยมันมีโทษจริงๆเห็นะขนาดบวชมาแล้วมันยังตามมาให้ผลเลยคิดดูทีทีนี้การที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเขาก็ได้บรรลุสากาทาคาบุบรรลุอนาคาบรรลุเป็นผ้าอรหันเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมาเมืองสาวัตถีเช่นเดิมอีก ดาบทเหล่านั้นก็ไปสู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านที่เคยไปใช่ไหมไปอยู่ในป่า8เดือนอีก4เดือนก็จะเข้าหมู่บ้านพอเข้าไปสู่หมู่บ้านพวกมนุษย์เห็นดาบททั้งหลายแล้วก็ไม่ทำการโกลาหนเช่นคราวก่อนคือครั้งก่อนๆเนี่ยโหพอดาบทมาเนี่ยมีการตื่นตัวตื่ น, ตนเต้นตอนรับกันจะยกใหญ่เลยเี่ยนะพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วเตรียมเร็วนะชักชวนกันทำบุญทากุศลโฆษณากันอย่างยิ่งใหญ่ แต่มาครั้งนี้ไม่มีทุกคนเงียบกันหมดเลยนะเขาก็เห็นแล้วก็เฉยๆว่า ง, งั้นเถอะถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าบรรลุเป็นพระอริยสาวกผู้ที่มั่นคงในพระัตนมตรายแล้วเห็นนักบวชนอกาศาสนาก็จะเฉยๆแล้วใช่ไหมอย่างมากก็ตอนรับขับสู้กันไปตามมารยาตามเคยเกี่ยวข้องกันอะไรกันไปเท่านั้นแหละนี่ดาบด ท, ทั้งหลายก็ถามพวกมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลาย เพราะเหตุไรมนุษย์เหล่านี้จึงไม่เป็นเช่นกับคราวก่อนไม่เหมือนเดิมกันเลยเนาะว่างั้นหมู่บ้านแห่งนี้ถูกลงราชอาทยาแลหรืออา้าวถูกพระราชามาเบียดเบียนพระราชาสั่งอะไรหรือเปล่าว่างั้นหรือว่าถูกประทุสรายด้วยทุกพภิกภัยฝนไม่ตกต้องตามหรือดูการเข้ากล้าอาหารหามไม่ค่อยพออยู่พอกินกันหรือ หรือว่ามีบรรพชิตนักบวชซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นมากกว่าพวกเราได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้คือฤาษีนี้ก็พอจะทำนายเหตุการณ์ออกว่าที่ชาวบ้านไม่นับถือนี่แสดงว่ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์สามอย่างที่สำคัญก็คือหนึ่งถูกพระราชาลงโทษหรือเปล่าสอง ข้าวปลาไอข้าวกล้าอาหารไม่เพียงพ อ, อะไรหรือหรือว่าสามมีคนที่ดีกว่ามีนักบวชที่มีคุณมากกว่ามนุษย์เหล่านั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายบ้านนี้จะถูกลงราชอาทยาก็หาไม่พระราชาไม่ได้มาลงโทษอะไรหรอก ท่านจะถูกประทุสร้ายด้วยทุบพิขภัยก็าหาไหม่ข้าวปลาอาหารก็ยังบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมก็แต่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้มาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากได้เสด็จมาณนะหมู่บ้านแห่งนี้เก็คือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้แหละพระองค์นั้น เป็นผู้ที่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็เสด็จมาพอเสด็จมาชาวบ้านทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าการมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเรียกว่าการถึงไตรสรณคมนี่นะมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้า อามะคันธดาบทฟังคํานั้นแล้วจึงพูดว่าเครือข่าบดีทั้งหลายพวกท่านพูดว่าพุทโธดังนี้หรือพระพุทธเจ้านะบาลีก็ใช้คําว่าพุทโธหรือมนุษย์ทั้งหลายก็กล่าวขึ้นสิ้นสามครั้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าย่อมกล่าวว่าพุทโธพุทโธนี้แปลว่าอะไรพุทโธนี้แปลว่าพุทธะนี่นะแปลว่ารู้คําว่ารู้ในที่นี้รู้อะไร รู้อริยสัจรู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วพุทธมีผู้ที่รู้อริยสัจมีกี่ประเภทมีกี่บุคคลผู้ที่รู้อริยสัจมีสี่บุคคลด้วยกันบุคคลแรกที่รู้อริยสัจเขาเรียกว่าสุตตพุทธเราได้ยินไอ้รู้อริยสัจไม่รู้แต่รู้ด้วยการฟังนะพวกเราเนี่ยเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยก็รู้อริยสัจแต่รู้ด้วยการฟังฟังมากก็รู้มากฟังน้อยก็รู้น้อยนี่ยนะ ก็รู้ด้วยการฟังสองสาวกกับพุทธพุทธสาวกตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปที่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสาวกกับพุทธจนถึงพระอารหันต์นั่นแหละแล้วก็พุทธะอย่างที่สก็เรียกว่าปัจเจกพุทธเนี่ยนะพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แทงตลอดอริยสัจ ด, ด้วยท่านด้วยพระองค์เองแต่ก็ไม่สา ม, มารถสั่งสอนประชุมชนในเรื่อง อริยสัจได้แล้วก็ประเภทที่สามเขาเรียกว่าประเภทสุดท้ายนะที่4ี่เรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะผู้แทงตลอดอริยสัจด้วยพระองค์เองโดยชอบอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะเพราะพระองค์นั้นสามารถสั่งสอนประชุมชนสั่งสอนมูสัตให้ตรัสรู้ตามได้พอพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะประกาศอริยสัจเราเลยได้ยินได้ฟังเรียกว่า สุตตุถ้าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสาวกพุทธะเนี่ยนะแต่พัฒนาไปเป็นปัจเจกได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าปัจเจกนั้นจะบรรลุในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าในช่วงที่ไม่มีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะท่านจะแทงตลอดอริยสัจด้วยตัวของท่านเองเอาไหมจะบอกข้อปฏิบัติให้ ถ้าจะเป็นพระวจีกเนะตั้งความปรารถนาใช้เวลาสองอสงไขยเศษอีกแสนกับนะไม่นานเท่าไหร่หรอโอ้สังสารวัตรเราเวียนาไายตายเกิดมานานกว่านั้นอีกพระองค์บอกว่าน้ำนมที่เราดื่มจากมารดานเนี่ยนะก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วว่างั้นนี่ะมากมายมหาศาลแต่ว่าที่จริงถ้าเราตั้งความปรารถนาตั้งกับสมัยนั้นมาบ่บรรุไปแล้วเนาะแต่ว่า ไม่ตั้งความปรารถนาชาตินี้มาก็ไม่กล้าตั้งอีกเลยอดต่อเลยกันนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็เลยบอกว่าพุโทโธพุโทโธในที่นี้หมายถึงสัมมาสัมพุโทโธหรือว่าพุทธสัมมาสัมพุทธะทีนี้อารมะคันธดาบทเนี่ยยินดีแล้วก็เปล่งวาจาแสดงความยินดีว่าแม้เสียงว่าพุโทโธนี่แลเป็นเสียงที่หาได้ยากในโลกเนี่ยนะคนี้ได้ยินยาก จึงได้ถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสวยกลิ่นดิบหรือหนอแหล่พระองค์ฉันของกลิ่นดิบไหมไม่ใช่ของดิบนะของดิบนะครับอีกอย่างนึงแต่ฉันกลิ่นดิบไหมก็บอกว่าหรือว่าไม่สเสวยกลิ่นดิบพวกมนุษย์ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอะไรคือกลิ่นดิบอามะคันท่าาบทกล่าวว่าดูก่อนครื่องหับาดีทั้งหลายปลาและเนื้อชื่อว่ากลิ่นดิบอย่างนะ มนุษย์ทั้งหลายก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยปลาและเนื้อคําว่าพระผู้มีพระภาคหมายคือว่าไงพระผู้มีพระภาคแปลว่าผู้มีโชคอย่างนั้นนะพระคะนี่นะแปลว่าผู้มีโชคผู้มีส่วนแห่งพระคธรรมผู้คายพระคธรรมนะผู้จําแนกแจกแจงธรรมรัตน์เนี่นะคำว่าพระผู้มีพระภาค ผู้ที่มีคุณธรรมในลักษณะนี้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสวยปลาและเนื้อดาบทฟังคํานั้นแล้วก็เกิดวิปฏิสานเดือดร้อนใจว่าบุคคล น, นั้นจะพึงประเป็ น, ป น, ปนพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าไม่เป็นพระพุทธเจ้าเอ๊ะถ้าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อฉันปลาอยู่เหรอเนี่ยนะหรือว่าไม่ได้เป็นเอ๊ะเป็นเครียดนะนะไม่ค่อยสนุกเลย ดาบทนั้นก็คิดอีกว่าชื่อว่าการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลได้โดยยากเราเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วถามจักทราบได้เดี๋ยวจะไปหาไปคุยกันดูกันแล้วกันเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าไม่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงก็ไม่น่าฉันปลาและฉันเนื้อเห็นไหมแต่ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าอา้าวก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าคนก็ไม่น่านับถือ สงสัยใช่ไหมก็เลยเข้าไปถามเพื่อที่จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนต่อจากนั้นดาบดก็เลยไปยังสที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท้ามถนนหนทางนั้นกับมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รีบร้อนประดุดแม่โคที่ห่วงลูกคือแม่โค บ, บางตัวเนี่ยนะที่ลูกาหายไปก็วิ่งไปทางโน้นทีวิ่งมาทางนี้ทีร้องหาลูกกันนะนี่ฤาษีนี่ก็เมือนกันขี้จะไปหาพระพุทธเจ้า ก็ได้ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยพักคืนหนึ่งในที่ทุกแห่งไม่ค้างที่ไหนสองคืนในใครนิมนต์ให้อยู่ต่อก็ไปอยู่วัั้นรีบจะไปเข้าเฝ้าคำที่ไหนก็นอนที่นั่นเช้ามาทะฉันเสร็จไปต่อใช้อย่างนี้เดินทางไปจนถึงพระเชตวันพร้อมกับบริษัทของตนลูกศิษย์ไปด้วยเยอะแม้พระพุทธเจ้าก็ส่งประทับนั่งบนอาสนะเพื่อแสดงธรรมในสมัยนั้นดาบ ท, ทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นผู้นิ่งไม่ถวายบังคมไปถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นก็เห็นเออเห็นก็เห็นไม่กราบไม่ไหวไม่อะไรซักอย่างไปถึงก็นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็ปราศัยแสดงความชื่นชมกับดาบทเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าท่านฤาษีทั้งหลายท่านทั้งหลายพออดทนได้หรือดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นคนทักเองนะมาถึงเนี่ยเขาไม่เขาไม่กราบไม่ไหวไม่อะไรทั้งนั้นเลยมาถึงก็นั่งแมะอยู่เฉยเฉยอย่างนั้นเลย จะมาลองดูซิว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าจะมาฟังดูพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรอาศัยพระมหากรุณาที่คุณทักทายปราศัยเป็นยังไงพออดพอทนได้หรืออาหารบินทบากพอบินได้หรืออยู่ที่ไหนไปยังไงมายังไงะพกงก็เจรจ า, าทักทายปราศัยอันการเจรจ า, าทักทายปราศัยนี้เป็นเป็นวัดปฏิบัติที่ควรกระทากันเห็นไะ ไอโยมบางแห่งก็บอกว่าเออไปเจอพระเจอเนรแล้วพระเนรไม่ทักไม่พูดไม่คุยเลยไอยโยมนี่เกิม่มกันนะไม่รู้จะไปทํำยังไงต่อถามคําก็ตอบคําหรือบางทีถามไปห้าคำตอบคำเดียวยงไงไม่รู้งไงนะจะแนะนําเราบ้างสักหน่อยก็ไม่มีอะไรถ้าอย่างนี้มันก็ทุกข์เหลือเกินเนอะเพราะฉะนั้นการทักทายการเจรจาปราศัยการต้อนรับพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะก็เรียกว่าปฏิสันทานการต้อนรับพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ฉลาดในการปฏิสันทาน ปฏิสันฐานแต่ก็ปฏิสันฐานไม่ได้เป็นไปกับเดรฉานกถาลำดับนั้นอามะคันธฤษีก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์สวยกลิ่นดิบหรือไม่สวยเนี่ยนะถามปัญหาตรงจุดที่ตัวเองมาเลยนะเพราะจะมาอยากรู้เรื่องนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าพราหมณเชื่อว่ากลิ่นดิบนะนะั่นคืออะไร ทีจริงพระองค์เนี่ยรู้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีการถามการสนทนามันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยนะมันก็ต้องอธรรมะบางอย่างก็ต้องอาศัยคำถามให้เขาถามเขาพูดตรงแล้วก็ค่อย ๆ, ๆชี้แจงไปเนี่ยนะเหมือนกับเรา เ, าเห็นเด็กใช่ไหยบางทีเด็กเขาสงสัยเนี่ยเราก็มองออกแล้วล่วละแต่เราก็ถามเขาไปอีกอที่ถามเพื่อที่จะได้ให้เขาได้แสดงออกในยะหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะได้มีความมั่นใจขึ้นดาบทนั้นก็เลยทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปลาและเนื้อชื่อว่ากลิ่นดิบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบก็กิเลสทั้งปวงที่เป็นบาเป็นอกุศลชื่อว่ากลิ่นดิบใช่ไหมปลานี่นะะสมมติว่าปลาที่สุกอยู่ในจานเนี่ยนะ เป็นอารมณปัจจัยของจกักรวิญญาณเป็นสมบัติทางตาเท่านั้นแหละแต่สภาพจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะเมื่อเห็นปลาไอกิเลสอันนั้นที่เกิดในใจนั่นแหละเป็นกลิ่นดิบอัน น, นเป็นคําว่ากลิ่นดิบมันก็คือกลิ่นเมน็นกลิ่นเน่ากลิ่นค้าวนะของเคาววนะ่างั้นเถอะไอกิเลสที่เกิดในใจนั่นแหละเป็นของเคาววนะ่างั้นเออเวลารับประทานนะ่ะมาติดในปลายลิ้ อาหารเหล่านี้ที่มาแตะมาติดในปลายลิ้นแล้วก็เคี้ยวด้วยอํานาจของโลภะโทสะโมหะการเคี้ยวการบริโภคก็เรื่องธรรมดาแต่สภาพจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะในขณะที่เคี้ยวกลืนเคี้ยวกินเข้าไปสภาพจิตอันนั้นแหละเรียกว่ากลิ่นดิบกันแล้วผมก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพรามณ์ตัวท่านเองได้ถามถึงกลิ่นดิบในการรับบัตรนี้ก็หามิได้ แม้ในอดีตพราม์ชื่อว่าติดสะก็ได้ถามถึงกลิ่นดิบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะเรื่องที่ถามปัญหาเรื่องกลิ่นดิบมาได้มีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นแม้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองคก์ก็มีคนมาถามปัญหาเรื่องกลิ่นดิบเหมือนกัน ก็ติดสะพาหมณ์ได้ทูลถามแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ดังนี้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงนําพระคาถาที่ติดสะพราหมณและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะตรัดแล้วนั่นแหลเมื่อจะให้อามะขันธพราหมณ์ทราบด้วยคาถาเหล่านี้พระองค์ก็เลยได้ตรัสนะนะตรงนี้ในอรรถกถาได้อธิบายถึง เหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงอดีตประวัติของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระโพธิสัตว์พระนามว่ากัสสปะบำเพ็ญบารมี8ดอสงไขกับกับเศษอีกแสนกับเนี่ยนะคือบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขแสนกับอันนี้บอกพระพุทธเจ้ามีสาประเภทใช่ไหมอ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสาประเภทหนึ่งปัญญาธิกะ สัมมาสัมพุทธเจ้าสองศัทธาทิกะสามวิริยาทิกะคำว่าพระพุทธเจ้าปัญญาทิกะเนี่ยนะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างพระพุทธเจ้าของเราทุกวันเนี่ยนะพระองค์บำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน เชื่อว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีแปดอสงไขเศษอีกแสนกับนับแต่วันพุทได้รับพุทธภยากรนะก่อนหน้านั้นอีกต่างหากไม่นับเอาเฉพา ะ, ะเมื่อได้รับพุทธภยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนพระศิรยิยเมตรายนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีแปดอสงขสอสออไสงขเศษอีกแสนกับนะเออไม่ใช่16อสงไขเศษอีกแสนกับนะ พระกัสสปะเสียรเมตรยัยนั้นพระเสรยิยะเมตรตรนั้นเป็นวิริยาทิกะอ่า น, นะพระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเป็นศรัทธาธิกะพระเสรยิยะเมตรตรที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าเป็นวิริยาธิกะทีนี้พระองค์ก็ถือปฏิสนธิในครันของพราหมณีธนวดีประชาบดีของพรหมทัตพรามณ์ในเมืองพาราณสี นะเรื่องราวก็เป็นพุทธประวัติของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งเนื้อความตรงนั้นจะไม่อ่านนะนะจะไม่อ่านให้ฟังจะอ่านเฉพาะถึงข้อความที่ติดสะดาบททูลถามพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นดิบนี่แหละซึ่งติดสะพราหมหรือติดสะดาบทกล่าวว่าสัตว์บุตรทั้งหลายใน บริโภคข้าวฟ่างลูกเดือยถั่วเขียวใบไม้เง่ามันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยทรรมหาปรานาการมกล่าวคำหลาะแหละไม่เนะเขาก็พูดแสดงความรู้สึกของเขาอ่ะนะมันก็เหมือนกับพวกที่นิยมมังสวิรัตในลักษณะนั้นแหละข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามมกสปะ พระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำเสร็จก็ดีแล้วนะคือเสวยเนื้อที่เขาปรุงเสร็จตกแต่งไว้ถวายอย่างประนีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าย่อมเสวยกลิ่นดิบนีะน่ะคือติศสะดาบทเนี่ยนะ เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะว่าข้าแต่พระกัสสปะผู้เจริญพระองค์นี่สวยกลิ่นดิบหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราหาได้สวยกลิ่นดิบไม่เนี่ยนะที่จริงกลิ่นดิบของพรามณ์ได้แก่ปลาและเนื้อใช่ไหมกลิ่นดิบของพระพุทธเจ้าหมายถึงกิเลสทีนี้พราหมณ์เข้าไปถามว่าเออพระพุทธเจ้านี่สวยกลิ่นดิบหรือไม่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้สวยกลิ่นดิบเพื่อบินทบาตพรุ่งนี้ดาบททูลว่า ข้าแต่พระกัสสปะผู้เจริญสาธุสาธุพระองค์เมื่อไม่สวยซากศพของสัตว์อื่นได้ทรงกระทํากรรมดีแล้วข้อนั้นสมควรแล้วแก่ชาติสกุลและโคตรของพระกัสสปะผู้เจริญอันนันคุยกันคนละเรื่องเดียวกันเหมือนกันนั้นก็บอกาอสาธุดีจริงๆเลยนะไม่สวยเนื้อดิบเหมือนกันนะไม่สวยซากศพเหมือนกันต่อแต่นั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงทรงนํารีกว่า เราพูดว่าเราไม่บริโภคกลิ่นดิบดังนี้ไม้ถึงกลิ่นดิบคือกิเลสทั้งหลายพรามเจาะจงเอาปลาและเนื้อทำอย่างไรหนาเราจะไม่เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินธบาสพรุ่งนี้จะพึงบริโภคบินธบาส ท, ที่เขานำมาจากวังของพระเจ้ากิกินะก็มีพระราชาที่อุปธรรมสมัยนั้นนะเรียกว่าพระเจ้ากิจกิหรือพระเจ้ากิกิ คาถาปรารบกลิ่นดิบจักเป็นไปอย่างนี้ต่อแต่นั้นเราจะให้พรามเข้าใจเนื้อความได้ด้วยพระธรรมเทศนาดังนี้แล้วก็ทรงบ